บทที่สามสิบสามความดีไม่มีขายถ้อยคำของท่านพระครูกระทบใจในายกุลเชียงอย่างแรงเขานิ่งไปหลายนาทีแล้วจึงถามท่านพระครูว่าผมจะขอเข้ามาพ่อได้ไหมครับฟังท่านพูดแล้วผมไม่สบายใจเลย จริงของหลวงพ่อถ้ามีแต่แม่ผมก็เกิดไม่ได้ผมไม่น่าคิดไม่ดีกับพ่อเลยหลวงพ่อเชื่อไหมครับผมเกลียดพ่อมาตั้งแต่จำความได้เพราะพ่อไม่เคยมีภาพดีๆให้ผมได้เห็นเลยมีแต่ภาพเมาเหล้าทุบตีแม่ด่าแม่ด้วยไทยคำหยาบคายกับผมพ่อก็ไม่เคยเอาใจใส่ผิดกับพ่อของคนอื่นๆ ที่เขารักแล้วก็อาใจใส่ลูกเป็นไปได้ไหมครับว่าที่พ่อไม่สนใจผมเพราะเป็นกรรมที่ผมเกลียดพ่อแม้ในรถจะมืดหากท่านพระครูก็เห็นน้ำตาใสาๆขังอยู่ที่หน่วยตาทั้งสองข้างของเขาก็คงเป็นไปได้เพราะกระแสความรักความเกลียดนั้นเราสามารถสัมผัสได้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนความเย็นกับความร้อนความรักกับความเย็นส่วนความเกลียดเป็นความร้อนพ่อโยมเขาคงได้กระแสความร้อนจากตัวโยมจึงไม่เข้าใกล้ไม่สูงสิงด้วยเป็นเพราะเขาขี่เมาไม่มีสติมากกว่ามังครับไม่จริงหรอกมีถมเทไปที่คนขี่เมารักลูกรักเมีย คนขี่เมาใจว่าจะชั่วหมดทุกคนอาตมาเคยรู้จักตะขี่เมาคนหนึ่งสมัยที่เป็นเด็กแกเมาตลอดเวลาแต่แกใจดีเห็นเด็กๆแกก่อไห้สตังไปซื้อขนมที่วัดมีงานแกก่อช่วยตักน้าล้างชามไม่เคยมีคนเกลียดเพราะว่าแกทำประโยชน์ให้กับคนอื่นอาตมารู้จักบ้านแกด้วย เพราะว่าเป็นเด็กที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเลยตามไปดูที่บ้านแกได้คุยกับเมียกับลูกของแกเมียแกเล่าว่าถึงแม้ว่าจะขี้เมาแต่ก็มีความรับผิดชอบในครอบครัวรักลูกรักเมียเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นคนเมาที่ดีก็มีเหมือนกันนะอย่างนั้นเหรอครับแต่ผมไม่เคยเห็นคนเมาดีสักคนโดยเฉพาะพ่อผม ตอนผมไปโรงเรียนเพื่อนหลายคนที่เขามีพ่อเมาแบบพ่อผมแถมร้ายกว่าพ่อผมอีกคือนอกจากกินเหล้าแล้วยังเจ้าชู้เที่ยวมีลูกมีเ ม, มียเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่รับผิดชอบปล่อยให้เมียต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตามยถากรรมเพื่อนบางคนก็ต้องกลายเป็นขโมยเที่ยวลักขโมยเข้ามาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องถูกตำรวจจับได้ก็ต้องติดคุก ผมยังโชคดีที่แม่ขยันทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงผมมาจนโตแม่อบรมสั่งสอนในทุกเรื่องแต่ความที่ผมไม่ค่อยฉลาดจึงจำได้เป็นบางเรื่องแม่มีคติคำคมมากมายซึ่งถ้าผมจดจำได้ทั้งหมดก็คงจะนำมาพิมพ์ขายได้สบายๆแต่ก็เสียดายที่สติปัญญาของผมไม่ร่วมมือด้วยเลยจำไม่ได้เลยหรือน่าจะจำได้บ้างนะ ท่านพระครูอยากรู้เพราะท่านเองก็มีคติคําคมมากมายที่จดจํามาจากคนรุ่นก่อนบ้างที่คิดขึ้นเองบ้างจําได้อย่างเดียวแหละครับแม่พร้อมสอนผมให้เป็นคนดีแม่บอกว่าจะรวยจะจนไม่สําคัญขอให้เป็นคนดีแม่พอใจแล้วสิ่งที่แม่พูดจนติด ป, ปากก็คือไม้คดทําขอเหล็กงอทํำเคียว แต่คนคดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยผมก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ขอเป็นคนคดเด็ดขาดทุกวันนี้ผมก็สอนลูกอย่างที่แม่สอนผมคือสอนเท่าที่จำได้นะครับแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยที่ผมเป็นเด็กยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่เหมือนสมัยผม อาตมาชอบคำคมของโยมแม่เสียแล้วสิในความคิดของอาตมาคนคดก็เหมือนกับแบงเก้ไปที่ไหนก็ใช่ไม่ได้ต้องทิ้งไปจะเป็นแบงดอลลาแบงบาทรว่าแบงยวนถักเกแล้วก็ต้องทิ้งทั้งนั้นโยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับพูดถึงแบงเกเนี่ยผมสงสารเพื่อนทำทัวร์ด้วยกันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละ แบงเกต้องทิ้งเอาไปใช้ที่ไหนก็ไม่ได้เพื่อนคนนี้เขารับจัดทัวร์ไปอินเดียซึ่งจะมีพระไปมากผมต้องขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าพระแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระอยู่นานเหมือนกันคือมีพระรูปหนึ่งแกไปทัวร์กับเพื่อนผมผมขอเรียกว่าแกนะครับไม่ขอเรียกว่าท่าน ทัวร์นี้ก็มีผู้หญิงไปด้วยส่วนใหญ่แกก็เป็นหัวหน้ามาจ้างเพื่อนผมให้นำไปโดยจ่ายเงินเป็นดอลล่าร์พอถึงพุทธคยาเพื่อนผมก็นำดอลล่าร์ไปแลกเป็นรูปีปรากฏว่าดอลล่าร์ปลอมเลยบอกให้แกรู้แกก็ไม่ยอมรับผิดเพื่อนผมเลยไปขอให้พระวัดชัยมาช่วยพูดพระท่านก็บอกว่าถ้าไม่รับก็ต้องติดคุกอยู่ในอินเดีย เพราะมีพยาหลายคนรู้เห็นว่าเป็นเงินของแกแกก็บอกพรุ่งนี้รุ่งขึ้นจะนำเงินจริงมาแลกคืนพอวันรุ่งขึ้นแกก็หนีไปแล้วไปกับผู้หญิงที่มากับทัวเห็นเขาว่าเมียแกนั่นเองแหละครับไม่ไปเปล่าแต่เอาพาสปอร์ตของคนอื่นไปด้วยเพื่อนผมจึงพาลูกทัวไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทย ให้ช่วยส่งลูกทัวร์กลับตั้งแต่นั้นมาเขาเลยไม่รับจัดทัวร์ให้พระอีกเลยครับอาตมาไม่เรียกคนนี้ว่าพระเขาเป็นมารศาสนาปลอมมาเป็นพระเพื่อทําลายพระศาสนาน่าสงสารมากเขาจะต้องได้รับกรรมอย่างหนักทุกวันนี้มารศาสนามีมากเลือกเกินหลวงพ่อครับผมพอจะมีทางขอขมาลาโทษได้หรือเปล่าครับ คนที่ตายไปแล้วเราจะขอโทษเขาได้หรือเปล่ากุนเชียงวกกลับมาถามเรื่องที่ยังค้างคาใจถ้าโยมตั้งใจทําจริงก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากแล้วต้องเสียเงินหรือเปล่าครับเสียเงินเท่าไหร่ครับ ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นตั้งเจ็ดวันเฉยเหรอครับแค่เจ็ดวันเท่านั้นไม่ใช่ตั้งเจ็ดวันท่านพระครูยำ้ำเปลี่ยนเป็นเสียเงินแทนไม่ได้เหรอครับเวลาผมเป็นเงินเป็นทองขอแลกเป็นเงินนะครับเขาต่อรองตามนิสัยนักธุรกิจโยมกุลเชียงสมภารวัดป่ามะม่วงเรียกชื่อเขาด้วยเสียงหนักๆ แล้วพูดต่อด้วยเสียงปกติว่าจริงอยู่เงินทองซื้อของที่ต้องใจได้มากมายหลายชนิดแต่ว่าซื้อความดีไม่ได้โยมจะขอขมาพ่อได้ก็ต้องสร้างความดีหนีความชั่วไม่ใช่โดยการซื้อขายจำไว้นะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองถ้าความดีมีขายคนก็ดีกันหมดแล้วจริงไหม จริงครับตกลงว่าผมต้องใช้เวลาสร้างความดีถึงเจ็วันใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เจ็ดวันต้องสร้างความดีทุกวันแต่เจ็ดวันนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการเมื่อรู้วิธีแล้วก็ต้องปฏิบัติทุกวันจะทำได้ไหมผมจะทำให้ได้ครับจะได้หมดเวรหมดกรรมที่ทำกับพ่อการที่ผมเกลียดพ่อเป็นกรรมหนักใช่ไหมครับ ก็เกือบหนักนั่นแหละกำหนักจริงๆก็คือฆ่าพอ่อกำหนักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีห้าอย่างคือฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อขึ้นและก็ทำสังฆเพทโยมเกลียดพ่อก็เหมือนกับฆ่าพ่อทั้งอ้อมเพราะเท่ากับทำร้ายจิตใจพ่ออตมาจึงบอกว่าเกือบหนักแต่ไม่เป็นไร ยมใช้เวลาเจ็ดวันเพื่อเรียนรู้การขอขมาท่านมีวิธีเดียวที่จะทำได้ครับผมจะเรียนรู้จากหลวงพ่อเมื่อกลับเมืองไทยแล้วหลวงพ่อโปรดเมตตาผมรับผมไว้เป็นศิษย์ด้วยนะครับตกลงเอาละ่ะคงจะถึงบ้านด็ตอร์พิงแล้วท่านพูดขึ้นเมื่อรถมาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัด ไม่ใหญ่ไม่เล็กมีต้นมะลิซึ่งกำลังออกดอกส่งกลิ่นหอมอบอวลดรผิงลงมารับท่านที่รถนิมนต์เข้าไปในบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาประเคนด้วยตนเองเขาเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยปักกิ่งครั้นกเกษียณอายุแล้วจึงกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่เมืองสัวเถาสนทนาปราศัยกันเป็นที่ พอใจเป็นธรรมเนียมแล้วดรผิงก็นิมนต์ท่านเข้าไปยังห้องทำงานของเขาเพื่อแลกวิชากันท่านพระครูรู้ว่าเขาไม่ต้องการให้ในายกุนเชียงเข้าไปด้วยแต่ท่านต้องการพยานหลักฐานที่เป็นตัวบุคคลจึงบอกเขาว่าอาตมาขออนุญาตให้หัวหน้าทัวเข้ามานั่งดูด้วยเพราะเกิดมีคนคอลหาว่าอาตมาหายไปไหน เขาจะได้เป็นพยานให้อาตมาได้อัตมารับรองว่าวิชาด็อกเตอร์คงไม่ง่ายขนาดมองดูแล้วทำได้ไม่ง่ายถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ง่ายอย่างนั้นคนที่จะเรียนได้ต้องผ่านการฝึกสมาธิถึงระดับอุปจารสมาธิเป็นอย่างตำ่ลำลําพังคณิกะสมาธิยังเรียนไม่ได้แต่ผมรู้ว่าหลวงพ่อได้ ถึงอปนาสมาธิในคุณเชียงรู้สึกเวียนหัวเพราะไม่เข้าใจที่ด็กเตอร์ผิงพูดจึงบอกเขาว่าอย่าว่าแต่ผมจะเรียนได้เลยครับแค่ฟังด็กเตอร์พูดผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมมันคนปัญญาน้อยไม่ฉลาดปราดเปรื่องมาหลงพ่อกับดรกเตอร์รอกหลวงพ่อครับให้ผมนั่งคอยข้างนอกก็ได้เขาหันไปพูดกับท่านพระครูไม่ได้ลอก อาตามาต่องการพยานบุคคลและพูดกับดอกเตอร์พิงว่าตอนอาตามาไปเห็นนารีผลในถ้ำประเทศศรีลังกายังต้องเรียกโยมไปด้วยให้ช่วยเป็นพยานเพราะเดี๋ยวนี้จะพูดอะไรก็ต้องมีพยานหลักฐานคนทุกวันนี้จะว่าเชื่อง่ายก็ไม่ใช่ครั้นจะว่าเชื่อ ย, ยากก็ไม่ใช่อีกคืออะไรที่จริงมักจะไม่เชื่อ ไปเชื่อสิ่งที่ไม่จริงพูดก็พูดเถอะขนาดพระพูดเขายังไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะพระสมัยนี้โกหกกันมากไม่กลัวศีลขาดศีลพร่องกันเลยโกหกยังไงครับดรผิงไม่เข้าใจ ก็โกโหกโยมว่าตัวเองเป็นพระอระหันต์ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นแต่ว่าหลอกลวงญาติโยมให้เสื่อมศรัทธาอาตมาเรียกว่าพวกหลอกลวงโลกหวังเอาลากบาปกรรมมากพระดีๆก็เลยถูกญาติโยมมองไปในทางลบด้วยมันก็พูดอยากนะด็อกเตอร์นะครับต่อไปคนลวงโลกก็จะมีมากขึ้น ไม่เฉพาะในประเทศแถบเอเชียรหรอกครับต่อไปคนยุโรปอเมริกาก็จะต้มตุนหลอกลวงกันเพราะคนไปให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจผมกล้าทำนายได้เลยว่าต่อไปชาวโลกจะเบียดเบียนกันอย่างที่สุดประเทศใหญ่จะข่มเหงรังแกประเทศเล็กแล้วก็จะเกิดสงครามระหว่างประเทศก่อนจากนั้นก็จะลุกลามกลายเป็นสงครามโลก ประชาชนจะพากันเดือดร้อนคนที่จะพ้นจากภัยสงครามได้ก็ต้องเข้ามาอยู่ร่มเงาของพระาศาสนาขอประทานโทษผมอาจจะพูดเกินขอบเขตไปหน่อยนี่มดหลวงพ่อในห้องทํางานผมดีกว่านะครับเชิญคุณหัวหน้าทัวด้วยประโยคหลังเขาพูดกับนายกุนเชียงเมื่อบรรพชิตรูปหนึ่งกับคฤหัสถ์สองนายเข้าไปในห้องทํางาน ซึ่งก็คือห้องเขียนหนังสือของด็อร์ิงเรียบร้อยแล้วการเรียนวิชาจับชีพผจรและทำนายอดีตอนาคตก็ได้เริ่มขึ้นโดยดอรผิงทดสอบให้ดูก่อนด้วยการนั่งหลับตาสำรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วขออนุญาตจับชีพผจรที่ข้อมือท่านพระครูจากนั้นจึงทำนายทั้งที่หลับตาว่าผมขอเริ่มต้นตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับ หลวงพ่อเคยเป็นนักรบทูกเก่งกล้าสามารถสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พระมา่าแต่ต้องตายด้วยกลาเสก่าเกิดในชาตินี้หลวงพ่อมีพี่น้องสิบคนพออายุหกขวบก็มาอยู่กับยายต้องทำงานหนักตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นคนที่มีความบากบั่นอดทนหนักเอาเบาสู้ชอบขโมยเงินยายพอเข้าวัยรุ่นก็เกเรไม่ชอบเรียนหนังสือ ชอบนี้โรงเรียนไปยิงนกตกปลาแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมไว้มากแต่พอบวชแล้วก็กลับตัวกลับใจกลายเป็นพระ ท, ที่ดีแล้วก็ได้ชดใช้เวรกรรมหมดแล้วครั้งสุดท้ายกรรมหนักมากคือได้รับอุบัติเหตุรถคว่มคอหักแต่เพราะได้สร้างความดีด้วยการบำเพ็ญภาวนาจึงรอดชีวิตมาได้ต่อ น, นี้ไปชีวิตของหลวงพ่อจะมีแต่ความรุ่งเรือง อายุห้าสิบจะได้เป็นเจ้าคุณแต่ก็จะเหนื่อยมากเพราะหลวงพ่อทุ่มเทให้กับงานสร้างคนจนลืมฉันลืมจำวัดผมขอทำนายสั้นๆเท่านี้นะครับจากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นจริงอย่างที่ด็อกเตอร์พูดมาหรือเปล่าครับนายคุณเชียงถามท่านพระครูสม่านวัดป่ามะม่วงตอบด้วยความระมัดระวังว่า อดีตกับปัจจุบันตรงตามที่ด็อกเตอร์พูดแต่อ น, อนาคตอาตมายังบอกไม่ได้ต้องรอให้ถึงเวลานั้นเสียก่อนถ้าผมจะให้ด็อกเตอร์ช่วยทำนายผมบ้างจะได้ไหมครับเขาพูดกับด็อกเตอร์ผิงด้วยความรู้สึกเลื่อมใสได้สิเพราะคุณคือพยานหลวงพ่อผมก็ต้องทำให้พยานเกิดความมั่นใจก่อนเอาละยื่นมือมาให้ผมทานายให้ ในกุนเชียงแสนจะดีใจรีบส่งมือให้ดรผพิงทันทีด็อร์วรัย6กสิเศษก็จับชีพจรตรงข้อมือแล้วก็หลับตาจากนั้นก็เริ่มทานายอย่างคล่องแคล่วผลการทานายออกมาแบบเดียวกับที่ท่านพักครูคืออดีตกับปัจจุบันตรงกับที่ความเป็นจริงทุกอย่างแต่อนาคตเขายังไม่รู้กระนั้นก็มั่นใจว่าจะต้องจริง ดกเตอร์ิงทํานายว่าลูกๆของเขาเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่พวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและจะเป็นอติชาตบุตรคือลูกที่ดีเลิศกว่าพ่อแม่ในกุเชียงรู้สึกปีติที่ได้ฟังคาทํานายทายทักเกี่ยวกับลูกแล้วก็มั่นใจเต็มร้อยว่าลูกๆเขาจะต้องเป็นอย่างที่ดรผิงทํานายทายทัก ท่านวักครูยอมรับว่าดอกเตอร์พิง์มีความสามารถในการทำนายทายทักโดยการจับชีพจรก็นับว่าเป็นเรื่องที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้แต่ท่านคงไม่มีความจำเป็นจะต้องเรียนวิชานี้เพราะท่านสามารถรู้อดีตอนาคตของคนได้โดยไม่ต้องจับชีพจรเพียงเห็นหน้าก็รู้เพราะได้ผ่านการอบรมกายอบรมจิตยอย่างยิ่งยวดมาแล้ว ดังนั้นเมื่อดอกเตอร์พิงจะถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงบอกเขาว่าอาตมารู้แล้วและคิดว่าคงทำได้ขอบใจด็ตอร์ที่สอนให้ว่าแต่ว่าดอกเตอร์อยากรู้ไม่ว่าลมหายใจใกลายเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรอยากทราบครับแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้หรือเปล่าครับได้ก็ใช้วิธีเดียวกับที่ด็อกเตอร์ใช้นี่แหละ ละครับถ้าอย่างนั้นผมไม่จำเป็นจะต้องเรียนก็ได้อัตมาคิดว่าไม่จาเป็นต้องเรียนในอนาคตตัวหนังสือจะข้ามประเทศได้ท่านเชื่อหรือเปล่าเป็นยังไงครับผมไม่เข้าใจสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าคืออย่างนี้สมมุติว่าอัตมาเขียนหนังสืออยู่บนเมืองไทยแต่ตัวหนังสือมาปรากฏที่เมืองจีนหรือว่าเมืองอื่นได้ ด็อกเตอร์คอยดูไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เอาละนี่ก็ดึกมากแล้วอาตมาเห็นจะต้องขอลาท่านเตรียมจะลุกขึ้นทว่าด็อกเตอร์ิงนิมนต์ให้อยู่ก่อนผมขอเรียนถามหลวงพ่อคำเดียวเท่านั้นเป็นคำถามที่ผมไม่สามารถหาคำตอบได้ผมมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องทราบกรุณาตอบผมด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆ ด็อร์อยากรู้อะไรหรือคือผมอยากรู้ว่าเมื่ อ, อไรประเทศของผมจะพ้นไปจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผมอึดอัดเต็มทีแล้วครับผมอยากเห็นประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนอย่างประเทศของท่านอย่างน้อยผมก็จะได้นอนตายตาหลับหน้าตาที่เบิกบานเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นเศร้าสร้อย อีกไม่เกิน20สิบปีลัทธิคอมมิวนิสต์ก็จะถึงจุดจบไม่มีอะไรที่จะอยู่คู่โลกไปชั่วนิวรันดรนเพราะโลกเองก็ยังมีวันสิ้นสลายมันเป็นไปตามหลักของไตรลักษ์ด็อกเตอร์ไม่ต้องคิดมากทำใจสบายๆ ย, ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าได้ยึดติดถือมั่นเพราะการกระทำเช่นนั้นรังแต่จะให้เกิดทุกข์ ท่านให้สติคนเป็นด็อกเตอร์จริงอย่างที่ท่านพูดผมยังเป็นปุตุชนเต็มตัวนักครับหลวงพ่อก็เลยออกจะยึดติดยึดมั่นเกินไปหน่อยฟังหลวงพ่อพูดแล้วผมสบายใจขึ้นเห็นจะต้องปล่อยวางให้มากกว่านี้จะได้ไม่ทุกข์มากความทุกข์เกิดจากความยึดติดถือมั่นนะครับหลวงพ่อถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ ถูกแล้วพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าความเข้าไปยึดมั่นในขันทั้งห้าเป็นทุกข์ถ้ายึดมากก็ทุกข์มากผมเข้าใจแล้วครับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนล้วนเป็นสัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติผมเห็นจะต้องเร่งปฏิบัติให้มากกว่านี้ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ชี้ทางสว่างให้กับผม เป็นบุญของผมที่ได้พบกับพระสุปฏิปันโนเช่นหลวงพ่อเขากราบท่านด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาถ้าเช่นนั้นอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ดอกเตอร์จงเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีมีปัญญาอาตมาขอเจริญพรค้ากลับในกุนเชียงไม่ได้ชวนท่านพระครูคุยเขาเกิดความประทับใจ และศรัทธาเลื่อมใสในท่านพระครูยิ่งนักรูปภายนอกท่านเป็นพระธรรมดาธ ร, รมดารูปหนึ่งแต่เมื่อได้สนทนาปราศัยกับท่านจึงได้รู้ว่าท่านมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมที่ลุ่มลึกจนคนที่เรียนจบด็อกเตอร์ก็ยังต้องสยบให้ท่านเขาตั้งใจแน่วแน่ ว, แน ว, ว่าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านและจะไปเรียนรู้วิธีการขอขมาโทษบิดาผู้ล่วงลับ แม้ว่าจะต้องเสียเวลาถึงเจ็ดวันก็ตามท่านพระครูผู้ไม่เคยหายใจทิ้งใช้เวลาในช่วงเดินทางกลับโรงแรมแผ่เมตตาให้พวกอมนุษย์ทั้งหลายให้พวกเขามีความสุขเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและ ก, กันเมื่อรถมาถึงโรงแรมท่านพระครูให้เงินคนขับรถไปห้าสิบหยวนเป็นการขอบคุณเขาคนขับดีใจเป็นที่สุด เพาเงินที่ท่านพระครูให้นั้นมากกว่าค่าจ้างที่ด็อเตอร์ผิงจ้างมาเงินจำนวนนี้มีความหมายต่อครอบครัวของเขายิ่งนักเกือบยี่สิบปีที่ขับรถรับจ้างมาเพิ่งจะโชคดีวันนี้เป็นวันแรกและก็คงจะโชคดีในวันต่อๆไปพระรูปนั้นท่านใจดีเหลือกเกินขอให้ท่านอายุยืนอยู่ต่อไปนานๆเถิดในคุณเชียงส่งท่านพระครูถึงห้องพัก จากนั้นก็เดินไปยังห้องพักของตนอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนไม่ลืมจะสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาไปให้บิดาผู้ล่วงลับคืนนี้เขาแผ่เมตตาให้บิดานับเป็นครั้งแรกที่เขามีความรู้สึกที่ดีต่อบิดาหากไม่ได้พูดคุยกับท่านพระครูเมื่อตอนไปบ้านดอกเตอร์พิงเขาก็คงยังเกลียดบิดาอยู่สมผารวัดป่ามะม่วงช่างดีต่อเขาเลือกเกิน ขณะนั่งเครื่องบินจากสัวเถาไปเมืองกุ้ยหลินท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่บรรดาสจ๊ชชวตและแอร์โฮสเตสซึ่งให้บริการผู้โดยสารอยู่นั้นอยู่ๆก็ศีษะหายไปทีละคนสองคนกระทั่งหายไปทุกคนเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับท่านจะว่าตาฝาดก็คงไม่ใช่ท่านจึงบริกรรมว่าสัมปติตฉามิ เพื่อต่อหัวให้พวกเขาบริการอยู่ประมาณห้านาทีภาพที่เห็นก็ยังเหมือนเดิมจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นหนอรายงานว่าพรุ่งนี้เครื่องบินลำนี้จะตกสจ๊วตและแอร์โฮสเตอรวมทั้งกัปตันและนักบินก็จะพากันตายพร้อมกับผู้โดยสารอีกร้อยกว่าคนเป็นกรรมของพวกเขาที่ทาร่วมกันมา ท่านช่วยอะไรไม่ได้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็รู้สึกสังเวชใจจึงพูดกับนายกุลเชียงที่นั่งติดกับท่านว่าโยมดูพวกสัตจวดและแอร์โฮสเตสเหล่านี้สิพวกเขาอายุยังน้อยหน้าตาก็หล่อสวยกันทุกคนแต่หน้าเสียดายที่พรุ่งนี้พวกเขาจะต้องตายเพราะเครื่องบินตกนายกุลเชียงมองหน้าแอร์โฮสเตสสาวที่หน้าขาวใสเหมือนไข่มุก เกิดความสงสารเสียเต็มประดาจึงบอกให้ท่านพระครูช่วยพวกเขาด้วยช่วยไม่ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมที่พวกเขาทำร่วมกันมาสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่น